เพ่พากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้นแน่วแน่อย่าส่งใจไปทางอื่นเวลานี้เป็นเวลาที่เราทำความสงบใจสงบ ก, กายกายก็นั่งตรง อย่าไปก้มนักอย่าเงยนักถ้าไปก้มลงไปแล้วมันก็ง่วงนอนต้องสกัดกั้นความง่วงเหงาหานอนให้มันได้เพราะมันเป็นมารความง่วงเหงาหานอนเนี่ยมันทำให้จิตใจนั่นสงบ อยู่โดยลำพังไม่ได้ทำให้จิตนั้นมันเซอรอไม่มีปัญญาอะไรเลยถ้าผู้ใดปล่อยให้ความง่วงมนครอบงมแล้วไม่มีปัญญาจริงๆเนี่ยดังนั้นทุกคนนะ ให้นึกว่าเรานั้นยังไม่มีปัญญาแหลมคมพอที่จะละอาสวะกิเลสให้ขาดจากสันดานได้ดัง น, นั้นเราจึงต้องมาอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นต้องให้นึกอย่างนั้นปัญญาที่จะละกิเลสได้นะี่ยมันต้องเกิดจากสมาธิคือทําใจให้สงบ เป็นฐานที่ตั้งของปัญญากร อ, อันปัญญาที่จดจำศิลปะวิทยาความรู้ต่างๆตามตำรับตำราอันนั้นมันไม่สามารถที่จะมาละกิเลสให้ขาดจากสันดานได้นี <c oughs> ่จะปัญญาอันเกิดจากสมาธินี่แหละ มันสามารถที่จะละกิเลสบาปรธระมต่างๆได้นะดัะนั้นให้พากันปลุ ก, ก จ, จิตใจของตัวในชื่นบันต่อพระธรรมคำสอนของพระเจ้าอย่าให้ใจมันตกลงไปสู่เหวแห่งความง่วงเวาอาศัยสตินี่แหละอาศัยขันติความอดทน อดไปแล้วมันเอาชนะมันได้ดมันจะง่วงมันจะงกไม่ง่วงไม่ให้มันงกอดทาใจเข้มแข็งไว้อย่างนี้นะไม่อ่อนไปตามความง่วงนั้นไปไปมันก็เอาชนะของง่วงนั้นได้อะอมัน ต้องหาอบายกาจัดมันจึงได้ถ้าเราไม่หาอุบายกาจัดมันแล้วมันจะต้องหลังขวานอย่างนี้แหละเลื่อยไปอ่ะนั่งสมาธิเวทีใดก็มีแต่ความง่วงแล้วนะมาครอบงำจิตอ่ะสู้ไม่ไหวตัเลิกเสี้ยอย่างนี้นี่มันก็ไม่ได้ผลอะไรเลยการปฏิบัติภาวนา ทำอะไรเราต้องมุ่งให้มันได้ผลไม่ใช่ทำพอพเพ่ขอไปที่หรือว่าทำโดยจำใจทำโดยจำใจอย่างนั้นมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเนะไม่ได้ผลดันั้นต้องทำด้วยความพอใจจริงๆโดยมาคิดเห็นว่า ถ้าว่าตนไม่ทําความเพียรทางจิตใจนี่ตนก็พ้นทุกข์ไม่ได้สักทีจะเที่ยวเกิดเที่ยวตายไปสักกี่ร้อยชาติก็ไม่มีทางพ้นทุกข์ไปได้ตรงคิดให้มันเห็นอย่างนี้ <c oughs> ถ้าคิดเห็นอย่างนี้แล้วนั่นแหละผูน้นั้นจะได้ขมักขมันละ ทา้งกิเลสให้เบาบางไปจา ก, กจิตตัวเองก็ <c oughs> ที่เป็นทุกข์อยู่ในปัจจุบันนี่นะกับพาอกิเลสไม่ใช่เหรอล <c oughs> วงจิตที่มันเป็นทุกข์อยู่ในปัจจุบันนี่ต้องพิจารณาให้มันเห็นมันไม่สงบกับพาอกิเลสมันรบกวนไม่ใช่อย่างอื่นได้ ถ้าไม่ราคะรบ ก, กวนก็เป็นโทสะมันรบ ก, กวนเอาถ้าไม่ไม่โทสะก็โมหะมันรบ ก, กวนโมหะมันรบ ก, กวนนี่มันทำให้จิตฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปโดยไม่มีขอบเขตคิดปรำปราไปทั่วดีก็คิดทั่วก็คิดไปเจอเรื่องใดก็ พอได้เรื่องใดก็คิดปรุงแต่งเรื่อยไปนั่นเรียกว่าโมหอะอความหลงมันครอบงำแล้วมันเป็นอย่างนั้นแหละเนี่ยบางทีก็ง่วงเซื่ออย่างว่านั่นแหละไม่อยากคิดอะไรบางคราวสมบกคิดมากะนี้คิดมากแต่หาจะเอามาเป็นประโยชน์อะไรก็ไม่ได้ความคิดด้านนั้นอนี่ท่านเรียกว่า ปล่อยให้ความหลงมาครอบงำมาเ้ีแยนวมันต้องพี่นาดูตนของตนการภาวนาก็คือการเช็กดูดวงจิตดวงใจนี่แหละว่ามันเป็นอยู่อย่างไรอะ่ะปัจจุบันนี้แหละต้องต้องเพ่งเอาปัจจุบันนี้จะไปเพ่งไปอดีตอนาคตนั่นมันมันไม่รู้หรอก เพราะว่าดว ง, งจิตดวงนี้มันมีอยู่แค่ปัจจุบันนี้เท่านี้เองเนี่ยอดีตมันก็ล่วงมาแล้วอนาคตมันก็ยังไม่ได้ไม่ถึงแต่แล้วมันมีอยู่แค่ปัจจุบันนี้เท่านี้เราจึงต้องกาหนดเพ่งดูจิตใจอันนี้ในปัจจุบันนี้จะเพาะลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่นี่ มันก็รู้เลยว่าจิตเนี่ยเมื่อมันมีกิเลสมารบ ก, กวนอย่างนี้มันก็ทำให้คิดปรุงแต่งอะไรต่ออะไรอย่างว่าเนี่ไม่หยุดยั้งน ะ, ะถ้ากิเลสมันไม่รบ ก, กวนเอ า, อานี้พอเราเพ่งเข้าไปมันก็สงบลงไปสงบลงไปจนถึงที่เดิมมัโนะ น, นอะ เมื่อถึงที่เดิมแล้วมันก็หยุดแหละนี่อยู่มันก็ส ง, งบอยู่ได้นั่นเรียก ว, ว่ากิเลสมันไม่ได้รบ ก, กวนกิเลสมันไม่รบ ก, กวนก็เพราะอาศัยสติเนี่ยควบคุโขโขมจิตไม่ให้จิตมันอ่อนไปตามกิเลสไม่ให้มันปรุงแต่งไปตามาเรื่องของกิเลส สติเข้าไปควบคุมจิตไว้สำปรชัญญะกำนรู้กายก็สะก่าแต่กายจิตก็สะกว่าแต่จิตไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนอะไรนี่สตินี่มันให้ระลึกให้มันแก่กล้าขึ้นไปเรื่อยๆจนระลึก ดูกายก็จนรู้ว่ากายนี้ก็ไม่ใช่ของใครนี่ลึกดูจิตนี่ก็มันไม่ใช่ของใครจิตนี่ก็ดีไม่ใช่ตัวตนอะไรมันเป็นแต่ธาตุรู้เท่านั้นเอง น, ะนี่ต้องกาหนดรู้ให้มันลึกซึ้งเข้าไปอย่างนี้เรื่องสตินั่นนะถ้ามันเกิดทุกเวทนาขึ้นอย่างนี้ก็ กำหนดรู้ว่าเวทนานี้ก็ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของตนอย่าไปสําคัญว่าเราเป็นทุกข์ให้มีสติเตือนจิตนี่ว่าทุกขเวทนาต่งตางๆวันนี้ไม่ใช่ของเราไม่มีอยู่ในเราเราไม่ได้มีอยู่ในทุกขเวทนาเหล่านี้ก็มันจะมี เราอยู่ได้อย่างไรแม้แต่จิตก็ยังไม่ใช่ของเราแล้วนี่มันต้องรู้อย่างนี้มันยังบรรเทาทุกทางใจนี่ได้ถ้าหากว่าสติไม่เตือนใจอย่างว่านี่แล้วใจมันก็ไปยึดเอาทุกขเวทนานั้นมาเป็นของต น, นะนก็คลัํมควรแล้วแบบนี้นะวนไหวขาดความอดทนยั่งคิด เมื่อจิตมันอ่อนแอไปตามทุกขเวทนาแล้วนะมันเป็นอย่างไงเพราะฉะนั้นก็ในเมื่อเรารู้ว่าทุกขเวทนาสุขเวทนาอุเบกขาเวทนาเหล่านี้ไม่ใช่ตัวตนแล้วก็เมื่อมันเกิดขึ้นเราอดกั้นเลยอดกั้นทนทานเอาไม่ต่องวันไว้ไปตามมันอืมวิธีที่ ะจะพ้นจากทุกได้มันก็ต้องรู้เท่ารู้เท่าแล้วต้องอดทนอย่างนี้นะไม่วันไหวกับทุกขเวทนาเมื่ออดทนได้มันก็พ้นทุกเหล่านี้ไปได้ถ้าอดไม่ได้ปล่อยใจให้วิษกวิจารเศร้าโศกไปพ่ไรลำพันไปต่างนานาอยู่อย่างนั้นไนะก็แสดงว่าจิตมันยึดเอาทุก มาเป็นอารมณ์มาเป็นเครื่องอยู่ในใจหากว่ามาละโลกนี้ไปทุกนี่มันก็ติดตามไปอีกแล้วมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะ น, นั้นอย่าไปชอบมันเลยอย่าไปยึดไปถือเอามันก็อยู่ที่ตัวเราสอนตัวเราเองนี่แหละ อยู่ที่จิตนั่สอนจิตเองไม่ใช่อย่างอื่นใดเพราะว่าจิตแท้ๆเรามีดวงเดียวหนึ่งนะ น, งนั่นจึงว่าเอาจิตสอนจิตเดียวนี่นะ่ะอันผู้อื่นนะั้นเพื่อนก็สอนเป็นครั้งเป็นคราวไม่ได้มานั่งสอนเราอยู่ตลอดเวลาไปแต่ตัวเองนะ่สอนตัวเอง จิตสอนจิตแหละสำคัญมากเพราะมันกจิตนี่มันก็มีดวงเดียวอย่างว่านั่นเนี่ยแล้วถ้าตนไม่สอนตนอย่างนี้ฉะไหนมันจะพ้นทุกข์ได้นี่ก็ต้องสังเกตดูอะตนไม่สอนตนให้ปล่อยให้วางสังขารทั้งหลายนี่ ทุกคเวทน า, าต่างๆก็มารวมลงเรียกว่าสังขารเหมือนกันเนี่ยสังขานี่แปลว่าสภาพที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมานี่นะคําว่าสังขาร น, นะ น, น่ะก็กายกับใจนี่ก็อาศัยบุญบาปที่ตนได้ทํามาแต่ก่อนนั่นมันมาปรุงแต่งให้เกิดมีขึ้นนะไม่ใช่ว่าใครมาสร้างให้หรอกรูปกายอันนี้นะ กรรมที่ตนทํามาแต่ก่อนนั้นนะมันติดตามมามันนําดวงจิตมาปฏิสนธิในท้องของมารดาอาศัยธาตุของมารดาบ่เนี่บุญกรรมนั่นนะมาแต่งธาตุของมารดานี่ให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาอมีอวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆมุนี่ มันก็อาศัยอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นนั่นเองเนี่ยเอาถ้าไปยึดมั่นในบุญในกุศลไม่ยึดเอาบาปไว้ในใจอย่างนี้นะอันถ้ามีแต่บุญกุศลล้วนๆมาตกแต่งอัตภาพร่างกายนี้ให้มันก็ดีร่างกายอันนี้นะเกิดมานะมันก็ไม่ค่อยวิบัติขัดข้อง ไม่ค่อยมีโรคภัยอันร้ายแรงอะไรมาเบียดเบียนแต่ถ้าว่าจิตยึดเอาทั้งบุญทั้งบาปติดตัวมาอย่างนี้นะมันก็มีทั้งบุญทั้งบาปมาตกแต่งร่างกายนี้ให้เกิดขึ้นมาพอเกิดขึ้นมาแล้วมันก็แสดงถึงความวิบัติให้ปรากฏเมื่อถึงวาระบาปมันให้ผลน่ะ แต่ถ้าหากว่าบุญมันอกมีโอกาสให้ผลก่อนอย่างนี้มันก็ทําให้ร่างกายนี่กระซุ้มกระซวยไปเจริญใบใหญ่โตขึ้นมาไม่ได้มาถึงวาระบาปมันให้ผลนะเอแหละ ร, ร่างกายนี่มันก็วิบัติสุดโทมลงไปรักษาอย่างไรมันก็ไม่หายอันเชื่อว่าบาปกรกรมมันให้ผลแล้วนะ ก็ต้องพิจารณาให้มันรู้มันเห็นอย่างนี้ถ้าว่าใครได้พบกับปีบากกรรมต่างๆอย่างว่านี่นะก็ะต้องพิจารณาให้มันรู้ตามเป็นจริงอย่างนี้ว่าโอ้กรรมของตัวเองทำมาโนะจะเอาไปโยนให้ใครแล้วก็ไม่มีใครรับเอาตนเองทำเอามาเองตนเองก็เสเวยมันเองเอาสเสวยมันไป เมื่อมันหมดเขตมาแล้วมันจะดับไปเมื่อมันยังไม่หมดเขตของมันก็สู้ทนอดกัน้นเสวยผิบากรรมอันนี้ไปไม่ต้องเสียใจไม่ต้องเศร้าโศกระเตือนตนเข้าไปอย่างนี้ไลยมันจึงจิตใจยังไม่ได้แปลปวนเป็นต่างๆไป อันนี้เป็นหน้าที่ของทุกคนจะต้องศึกษาให้รู้ให้เข้าใจกรรมวิธีต่างมนีว้มันไม่แน่เหมือนกันนะบาปกรรมนี่นะถ้ามันได้ทำมาแต่ก่อนจริงนะบางทีมันก็ไปให้ผลเอาตอนเมื่อกแกชลาไปก็มีบางทีมันก็ให้ผลตอนอยู่ในวัยกลางคนก็มีบางทีมันก็ให้ผล ในวัยหนุ่มวัยสาวก็มีบางทีมันก็ให้ผลตอนเป็นเด็กเป็นเล็กอยมันสุดแล้วตั้งแต่การเวลามันมาถึงเข้าเมื่อเป็นเช่นนี้นะทุกคนก็ต้องศึกษาให้รู้ให้เข้าใจไวและเผื่อว่ า, าตนได้ทำกรรมชั่วอย่างใดหนึ่งมาแต่ก่อน เมื่อกามชั่วมันให้ผลเวลาใดล้วก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเพราะว่าเคยได้พิี่นาล่วงหน้าไว้แล้วอย่างนี้แหละไม่ได้ตื่นเต้นไม่ได้สะดุ้งหวาดกลัวมันเมื่อรู้ว่ารักษาเยียวยาอะไรก็ไม่ไม่ได้แล้วก็มันเป็นเรื่องของกรรมของเวนแน่นอนอย่างนี้ ถ้าหากว่ากรรมเวรในหนหลังไม่มีปัจจุบันนี้มันก็มีชีวิตเป็นอยู่ไปอย่างราบรื่นเมื่อมีชีวิตเป็นอยู่ไปอย่างราบรื่นแล้วก็ไม่ควรประมาทบะนี้ถึงมันจะราบรื่นอย่างไรเมื่อหมดบุญหมดกรรมที่อุปถัมภ์บำรุงแล้วมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้มันต้องแตกทำลายลง นี่ก็ต้องเตือนตนไว้ไม่ประมาททำความเพียรพยายามให้ใจมันสงบให้มันตั้งมั่นลงไปให้ได้ผู้ใดใจยังฟุ้งซ่านเลื่อนลอยอยู่ก็ดีถ้าผู้ใดทำใจสงบลงไปได้แล้วเอา้าก็ฝึกพิจารณาบบนี้หัดพิจารณา เพ่งพิจารณาความจริงของอัตภาพร่างกายอันนี้ให้มันเห็นให้มันรู้มันเข้าใจด้วยปัญญาจริงๆ <c oughs> ไม่มีใครจะพิจารณาให้เราได้ขอให้เข้าใจไม่พจารณาไม่มีใครที่จะมารู้แทนได้ ไม่มีใครที่จะมาส่วยสุขสวยทุกข์อันเกิดจากผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วที่แต่ระบุคคลกระทำมาไม่มีใครมาส่วยแทนได้นตนเองแหละเป็นผู้ส่วยเองตนเองมีหน้าที่รู้เท่าเองถ้าตนไม่อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นแล้ว มันก็จะไม่รู้เท่าสุขไม่รู้เท่าทุกข์เมื่อไม่รู้แล้วมันก็ต้องติดต้องคล้องอมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะ่ะถ้ารู้เท่าแล้วมันก็ไม่ติดไม่คล้องแบบนีอ้อืมันก็ปงก็วางไว้ตามสภาพมันได้จะไม่ว่าบุคคลนั้นจะปรองจะวางลงอะไรก็ช่างมันก็ยังรู้สึก ความสุขความทุกข์อันนั้นอยู่นั่นแหละแต่ว่ามันไม่วนไห้ไปตามเมื่อมันรู้เท่าอืเมื่อมันรู้ว่าทุกข์สุขต่งางๆเหมือนนี่ล้วนแต่เป็นสังขารธรรมทั้งนั้นเลยสังขารธรรมทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงมีเกิดขึ้นแล้วก็มีดับไปเป็นธรรมดา ทุกมันเกิดขึ้นอย่างว่านี่แหละมันไม่ใช่ว่ามันจะตั้งอยู่นี่ตลอดไปอ่ะมันก็มีทางดับไปได้ในเมื่อธาตุสีขนน่ขันธานี้มันแตกมันดับลงทุกคเวทนามันก็ดับไปตามกันนั่นแหละเมื่อขันธ์ทั้งห้านี่ <c oughs> <c oughs> มันยังมีอยู่ตราบใดแล้วทุกนี่มันก็มีอยู่ตราบนั้นแี่ะไม่มากก็น้อยอ มันยังมีอยู่อย่างนั้นถ้าไม่ทุกเพราะโรคภัยไข้เจ็บอย่างอื่นมาบีดเบียดเบียนเอาอย่างนี้มันก็เป็นทุกเพราะอิริยาบถทั้งสี่อันเนี้ยเดินมากก็เป็นทุกยืนนานก็เป็นทุกนั่งนานก็เป็นทุกนอนนานก็เป็นทุก อะไรหมดนี้นะนนะหิวข้าวก็เป็นทุกข์กระหายน้ำก็เป็นทุกข์รับประทานอาหารไปแล้วท้องผูกท้องไม่ถ่ายก็เป็นทุกข์เอาทายมากก็เป็นทุกข์ลองสังเกตดูสินี่หละมันมีแต่ทุกข์ต้องทำความรู้เท่า ต้องพยายามทําความรู้เท่าทุกต่างๆเหล่านี้ให้ได้เมื่อไม่รู้เท่าทุกเหล่านี้มันก็พ้นจากขันห้านี้ไปไม่ได้เมื่อไม่รู้เท่าทุกเหล่านี้จิตใจวันไหวไปมานั่นก็แสดงว่ามันยึดมั่นในขันห้าแล้วมันยึดว่าเป็น ตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของของเราความยึดมั่นนี่เราก็เป็นตัวกรรมปะนี่นั่นเป็นตัวกรรมนำดวงจิตนี่ไปปฏิสนธิใหม่ต่อไปอีกก็ได้อาศัยขันห้านี่เกิดขึ้นมาอีกอยู่อย่างนี้แล้วให้พากันพิจารณาให้มันเห็น นักปราชญ์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นท่านพิจารณาเห็นอย่างนี้จึงได้เบื่อหน่ายพระองค์จึงได้เปล่งอุทานออกมาว่าทุกขาชาติปุนับปุนังการเกิดบ่อยๆนี่มันเป็นทุกข์พระองค์เจ้าทรงแสดงไว้เรามาพิจารณากันดูว่ามันเป็นทุกข์อย่างที่พระองค์เจ้า แสดงไว้หรือไม่เรารู้เราเห็นอย่างนั้นหรือไม่นี่ถ้าว่าผู้ใดพี่นายังไม่เห็นก็แสดงว่าผู้นั้นยังไม่รู้จักทุกเลยยังไม่ได้รู้จักทุกลเมื่อไม่รู้จักทุกมันก็จะไปรู้เท่าทุกได้อย่างไรเป็นอย่างนั้นก่อนที่มันจะรู้เท่าทุกได้มันก็รู้จัก ว่านี่คือทุกข์อย่างนี้นี่มันก็ชี้เข้ามาสู่กายนี่มันเป็นคือทุกข์มันเพราะอะไรมันยึงเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงนี่คือทุกข์ใจเพราะอะไรมันยึงทุกข์ใจนี่เพราะว่าใจมันไปยึดถืออเอาสังขารต่างๆไว้ว่าเป็นตัวเป็นตเ น, ตนเป็นเราเป็นเขา เมื่อสังขารนี่แปรผันวันไว้จิตก็วันไว้ไปตามเพราะใจมันยึดเอาราคาความกำลังยินดีไว้มันยึดเอาโทสะความโกรธความบยาบาทไว้มันยึดเอาโมหะความหลงไว้กี่เลยตอนนี้เมื่อจิตยึดเอาไว้แล้วมันก็รบ ก, กวนจิตนี้ให้วันไว้พุ่งสัานเรื่อนร้อยไปอมันจึงได้เป็นทุกข์แบบนี้ นี่ต้องสาวหาต้นเหตุแห่งทุกข์ให้มันพบมเมื่อเราสาวหาต้นเหตุมันได้อย่างนี้นะเราก็ไปกาหนดละต้นเหตุมันอันนี้ส่วนต้นเหตุคือราคะโทสะโมหะนี่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าบุคคลละได้ไม่ใช่ละไม่ได้ถ้าว่า ละไม่ได้แล้วเพระาะศาสตาไม่ไม่ทรงสอนให้ละต้องเตือนจนอย่างนั้นแต่ว่าการละนี่มันก็ต้องอาศัยความเพียรความอดความทนอาศัยอุบายปัญญาสอนใจเข้าไปด้วยนั่นต้องมีคุณธรรมเหล่านี้อยู่ในใจเป็นกําลังมันก็ชิงจัลละกิเลสดังกล่าวมานั้นให้เบาบางหรือหมดไปสิ้นไป จากดวงจิตนี้ได้ถ้าหาว่าขาดคุณธรรมหมูนี้เป็นกําลังใจแล้วนั่นไม่ได้นะล่าไม่ได้จริงๆเออืมเพรเมื่อกิเลสเหล่านี้มันรบกวนกระทบกระทั่งจิตใจเข้าไปใจไม่เข้มแข็งมันก็อ่อนพับไปตามมันเลยอย่างนี้เลยเมื่อมันอ่อนพับไปตามมันเลยมันก็ใช้กายเราแสดงออกกว่านี้นะอืม ถ้าถ้าวันไว้ไตามอำนาจอย่างราคะอย่างนี้มันก็ไปใช้กายนี้ไปแสวงหาความรักความใคร่ใช้วาจานี้พูดอะไรคุยกันก็คุยกันพูดแต่เรื่องรักเรื่องใครไปแล้วแบบนี้นะนี่มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะดังนั้นการที่จิตใจจะไม่อ่อนแอไม่วันไหนไปตามกิดตะไรนี้ กะเพะเราสร้างบุญกุศลสร้างความดีต่างๆให้เกิดมีขึ้นในใจถ้าเป็นผู้ครองเลือนงก็เริ่มแต่การให้ทานนั่นแหละมาจนถึงการภาวนาสมาธิอ่าเป็นบรระชิตก็ต้องเริ่มตั้งแต่การรักษาศีลสาวีนัยให้บริสุทธิ์มาจนตลอดถึงมาเจริญปัญญาให้เกิดให้มีขึ้นอ่าในดวงขิดนี้ นั้นแล้วมันถึงแกละที่เลตถ้าจึงจะรู้เท่าทุกอันมีเกิดขึ้นมีขึ้นคือทุกกายทุกใจดังแสดงให้ฟังมาโดยลำดับนั่นได้ดังแสดงมา